มิุนายนพุทธศักราช2558เมื่อคืนก็มีฝนลงนิดหน่อยนะในวัดของเราเมื่อวานรู้สึกว่าฝนลงแต่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อเช้าวานนี่แต่เมื่อเช้าวานนี่รู้สึกว่าสมชายของเราในวัดร้องมากเหลือเกินจนหลวงพ่อพูดอะไรไม่ได้เมื่อวานนี่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 นี่เป็นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเราคณะสัตย า, ญญาติโยมลูกหลานทุกคนถ้ามีคําถามว่าหลวงพ่อเราสร้างเนเราจะสร้างอะไรได้บุญมากนะเราจะสร้างอะไรจึงได้บุญมากหลวงพ่อบอกเร็วๆว่าสร้างบารมีสร้างบา ร, รมีสิบรรทัศสามสบทัศนะนี่แหละ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 ภาษาเหมือนกับคาถาไล่ผีนะแต่ตาไม่จริงไม่ใช่นะเป็นภาษาบาลีท่านยกเอาเป็นย่อๆอย่างที่หลวงพ่อว่าต่อ ๆ, ๆลักษณะอย่างนั้นนะแปลว่าต่อ ๆ, ๆอะไรเตรียมตัวตายหลวงพ่อพูดว่าต่อ ๆ, ๆ, ตอ ๆ, ๆนะแต่อนนี้ก็สร้างบารมีก็มีอยู่ส0อย่างแต่พูดเป็นย่อๆเป็นความหมายรีว่าทาสีหน้าปาวิ ขาสะอะเมอุฮอันนี้ก็คือ10 10สตัวนะทาสินปะปวิขาสาเมอุมีอยู่10บนะแต่เนี้ทํามาขยายความถอย่างต่อๆๆต่อตอเนี่ยเตรียมตัวตายใช่ล่ะ่ขยายความอันนี้นทาสินปะปวิคขาสาอะเมอุเนี่ยขยายความว่าอย่างไงการสร้างบารมีให้สร้างบารมีทาสินปะปวิคขาสะอะเมอุนะ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 อยู่วัดก็ต้องอดทนอย่างวัดอดทนดหลาย้าอย่างอดทนต่ออากาศต่อความร้อนความหิวความกระหายต่อคู่คนที่มาดูถูกเหยยดย้ำผู้น้อยบูกใครใครก็ตามดูด่าว่ากล่าวเราต้องอดทนทุกอย่างต้องใช้ปัญญาในใช้ปัญญาในการอดทนไม่ใช่ว่าอดทนแบบโง่โง่เงาเ ง, า, งาไม่ใช่นะ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 เอเห็นไปที่ไหนไปแล้วเอาทําไปหมดไม่ใชเ่เราต้องเลือกให้นะ อ, อันตรงไหนที่เราจะได้ขุดอตรงไหนที่มีบอ่อทองคำํำบอ่อทองคําบ่อแร่เงินบอ่อทองคําเอาบ่อเพชรนินกินดาเอาตรงนี้แหละมันมีเราต้องใช้ปัญญาเออชายมันมีอย่างเนี้ยเราต้องขุดนะเอเราก็ต้องขุด ล, ลงไปก็ได้เพชรนินกินดา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 นี่เหมือนกันการทำบุญก็ลักษณะนั้นนะการดาญาติโยมลูกหลานนะต้องใช้ปัญญานะสรุปแล้วใช้ปัญญาให้รอบครอบในฐานศีลก็เหมือนกันรักษากายวาจาให้เรียบร้อยรักษาอย่างไงรักษากายสำวมกาย <c oughs> คือศี 5, 8, 7, ลห้าศีล8ศีล2องรยยรักษาศีลก่อนที่รักษาศีลเราใช้ปัญญาอย่างไร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 ใจเราก็อยู่ในวัดนะ อ, อไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแต่ได้แต่เป็นขาวเป็นชีได้แต่หัวลอล้นครับอผ้าขาวได้เป็นพระก็ได้แต่ศีรษะล้นกับผ้าเหลืองแต่ใจนู้ไปร้องเพลงร้องล้าทําเพลงที่ไหนก็ไมา่รู้นะเอออันนี้แปลว่าบวชแต่กายใจไม่บวชนะไม่มีเนคขมมะนะถ้าเนคขมมะในใจเราก็ต้องเ อ, อให้อยู่เราอยู่ในสถานะพระ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 พูดเนะ่ยเป็นแต่อักษยรย่อไม่ไม่ได้อธิบายให้ฟังนะเหมือนกับเป็นคาถาหรือคาถากาันผีลักษณะอย่างนั้นแหละขลังนะทาสีนะปะวิขะสะอามีอุนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วก็คือให้สร้างบา ร, รมีเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนะความชั่วมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุก